ชาวบ้านดำเนินมรรคาด้วยการศึกษาบุญก่อนหน้านี้ได้บอกแล้วว่าในคำสอนธรรมเพื่อให้เหมาะสำหรับครเรือหัดคือชาวบ้านแทนที่ท่านจะนำระบบของมรรคมาจากขั้นตอนในรูปของไตรสิกขาเป็นศีลสมาธิปัญญาแต่ท่านจัดใหม่เหมือนนางจะให้เป็นไตรสิกขาฉบับที่ง่ายลงมา โดยวางรูปขั้นตอนใหม่เป็นหลักพั่งไปที่เรียกว่าบุญกิริยาหรือบุญกิริยาวัตถุซึ่งมีจำนวนสามข้อหรือสามขั้นเท่ากับไตรสิกขานั่นเองแต่มีชื่อหัวข้อต่างออกไปเป็นทานศีลภาวนาถึงตอนนี้เมื่อยกไตรสิกขาขึ้นมาย้ำในแง่การศึกษาแล้วก็ควรให้เข้าใจบุญกิริยาในความหมายของการศึกษาด้วยและแท้จริงนั้น สาระหรือเนื้อแท้ทั้งหมดของบุญกิริยาคือการทำบุญนั้นก็คือการศึกษานั่นเองขอให้ดูพุทน์ทในปุญญกิริยาวัตถุสูตรคุตกนิกายอิติมุตกะที่แสดงหลักบุญกิริยาวัตถุสามดังนี้ภิกษุทั้งหลายบุญกิริยาวัตถุสามประการนี้คือทานไมบุญกิริยาวัตถุหนึ่งศีละัยบุญกิริยาวัตถุหนึ่ง ภาวนาใหม่บุญกิริยาวัตถุหนึ่งผู้ฝ่ายอัฏฐานั้นพึงศึกษาบุญนั่นทีเดียวอันมีผลกว้างไกลมีความสุขเป็นกำไรคือพึงเจริญทานหนึ่งสมจริยาความประพฤติเข้ากับธรรมหรือสมตามธรรมหนึ่งเมตตาจิตหนึ่งบัณฑิตเจริญธรรมสาประการอันก่อให้เกิดความสุขเหล่านี้แล้วย่อมเข้าถึงโลกที่เป็นสุขไร้การเบียดเบียน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 ที่ว่าศึกษาก็คือฝึกทำให้เป็นให้มีขึ้นฝึกหัดอบรมพัฒนาให้เจริญเพิ่มพูนถนัดจำนานยิ่งขึ้นไปก็คือก้าวหน้างอกงามขึ้นไปในมรักอย่างพร้อยตามไตรสิกขานั่นเองและเมื่อถือไตรสิกขาเป็นหลักก็เทียบกันได้ดังนี้กรุณาดูแผนภูมิหมายเลข1 1บ8อทปประกอบด้วยแผนภูมินี้อ่านได้ดังนี้คือไตรสิกขา ที่เรียกง่ายๆว่าศีลสมาธิปัญญานั้นในหมวดศีลตรงกับบุญกิริยาวัตถุสองข้อคือทานกับศีลในหมวดสมาธิและปัญญาของไตรสิกขารวมเป็นบุญกิริยาวัตถุข้อเดียวคือภาวนาในบุญกิริยาวัตถุข้อภาวนานั่นเองก็แบ่งเป็นจิตตะภาวนากับปัญญาภาวนาซึ่งจิตตะภาวนานั้นเน้นที่เมตตาภาวนา ขอย้ำความอย่างที่เคยกล่าวมาแล้วว่าหลักศึกษาบุญสำหรับชาวบ้านนี้เน้นชีวิตด้านนอกและการประพฤติปฏิบัติพื้นฐานขั้นต้นตรงข้ามกับฝ่ายบรรณชิตคือพระสงค์ที่เน้นด้านในและขั้นสูงขึ้นไปจะเห็นได้ชัดว่าหลักปฏิบัติขั้นต้นของไตรสิกขารวมกลุ่มไว้ด้วยศีลคาเดียวแต่บุญกิยาของชาวบ้านซึ่งเน้นด้านนอก ให้น้ำหนักแก่เรื่องการจัดการกับวัตถุและการอยู่ร่วมสังคมจึงแยกขั้นต้นออกเป็นสองข้อโดยเอาเรื่องการจัดการวัตถุคือทานมนุนมานำศีลขณะที่ของพระมีศีลแต่ของเจ้าบ้านมีทานและศีลแต่ทางด้านในที่เป็นระดับลึกสูงขึ้นไปไตรสิกขาของพระแบ่งชัดเป็นสองคือสมาธิและปัญญาแต่บุญกิริยาของชาวบ้าน พูดรวมพลุ่มด้วยภาวนาคำเดียวและตามพุทธพจน์ให้มุ่งที่เมตตาภาวนาคือเจริญเมตตาพูดอีกแบบหนึ่งว่าชีวิตพระนั้นไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับวัตถุทานจึงมีบทบาทน้อยดังนั้นในไตรสิกขาจึงเอาทานไปพนวกหรือแอบไว้ในศีลจะดูการจัดสารวัตถุของพระก็ไปมองในวิไนแต่ชีวิตของพระนั้น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 ให้เป็นการกระทาด้วยความรู้เข้าใจตั้งใจมุ่งหมายถูกต้องเท่ากับได้ตรวจสอบทุกกิจกรรมเป็นประกันให้ได้ผลดีและมีการพัฒนาโดยนยะนี้จึงเกิดเป็นชุดขยายเรียกกันว่าบุญกิริยาวัตถุสิบคือ 1. พาณมัยททำบุญด้วยการให้ 2. สศีลแไม้ทำบุญด้วยการรักษาศีลประพฤติ ด, ดีงาม 3. ภาวนาใหม่ทำบุญด้วยการเจริญภาวนา 4. ี่อภจญยนะใหม่ทำบุญด้วยการประพฤติอ่อนน้อม 5. ้วยาวั จ, จมัยใหมทำบุญด้วยการขนขวายรับใช้ 6. ปฏิทานะใหม่ทำบุญด้วยการให้ส่วนความดีแก่ผู้อื่น 7. ปัตตานโมธนาใหม่ทำบุญด้วยการยินดีการทำดีของผู้อื่น 8. ธรรมัฏสวนะใหมทำบุญด้วยการฟังธรรม 9. ธรามะเทศนาใหม่ทำบุญด้วยการสอนแสดงธรรม 10. ทิฏฐุจุกรรมทำบุญด้วยการทำความเห็นให้ตรง